الله من الشيطان ر ج ي م بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونسعنه ونستقن السهر ونعوذ بالله من شرول أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يدلله فلا هادي ل م ا ب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับเรามาพูดคุยกัน เกี่ยวกับคําพูดที่ประเสริฐยิ่งในโลกนี้นะครับผมซึ่งวันนี้สุราที่เราจะคุยกันเป็นสุราที่หน่งร้ก็คือถ้าเกิดเปิดก็คือหน้าสุดท้ายครับหน้าสุดท้ายเพราะกูรอ่านนี้จากขวาไปซ้ายใช่ไหมครับผมหนึ่งรสามสุรเป็นสุราที่ว่าถ้าเกิดแต่ละท่านดูแล้วรู้สึกไงครับผมโอ้สุราที่นี้ฉันใช้ใ น, นละหมาดบ่อยๆได้สบายนะครับผม เพราะนี่เป็นหนึ่งในสองสุระอนที่สั้นที่สุดที่มีในอัลกุรอานก็คือมีเพียงแค่สามอายะามีเพียงแค่สาอายะเลยก็คือสุร้อนบรัสกับอีกสุร้อนหนึ่งคือสุร้หนไหนครับอ๋อหรแป๊วเป้เลยนะครับเนี่ยอ๋อเชื่อชาติใช้ชบ่อยนะครับ <laughs> <laughs> แต่ว่าทราบไหมครับว่าสุระอนสั้นๆนี้ที่ผู้เอาล้อเลือกให้เป็นสุร้อนที่สั้นที่สุดเหมือนกับที่วระองค์กล่าวในคำพีของพระองค์ก็คือพระองค์ไม่ได้ทําอะไรอย่างไร้สาระเลยแล้วก็ แสดงถึงความเมตตาความยิ่งใหญ่ความสามารถของอัลลอสูราะสั้นๆนี้อิหม่ามชาฟีรอฮีมัลลอฮพูดว่ายังไงรู้ไหมครับอิหม่ามชาฟีท่านบอกว่าหากพวกอัลลอจะไม่ประทานสุราะอะไรมาเลยนอกจากสุราะนี้ก็ถือว่าพอเพียงแล้วสหรับมุสลิมสุพรณอัลลอฮหมายความว่าถ้าเราอยากจะทำความเข้าใจกับสุราะอัลลอฮอย่างแท้จริงเราต้องเข้าใจคุรานทางเล่ม คือความยิ่งใหญ่ของซุร้อนี้เพราะว่าเราเริ่มมันสั้นๆให้มันง่ายแต่ว่าในความสั้นในความง่ายเพราะว่าเราไม่เคยทําอะไรมากง่ายมันกลับมีสาระทั่วยิ่งใหญ่เมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าจะเข้าใจซุร้อนี้เราต้องเข้าใจกุรอานทางเล่มใช่ไหมครับผมพูดผิดไปนิดนึงไม่ใช่แค่กุรอ่านทางเล่มแต่ต้องเข้าใจฮะดิษทุกบทด้วยคือพูดง่ายครับถ้าเราอยากจะเข้าใจซุรอ้อนัสอย่างแท้จริงเราต้องเข้าใจอิสลามทั้งหมดก่อน แล้วเราถึงจะเข้าใจสุร้ออัลอาสเพราะว่าเนื้อหาของอิสลามทั้งหมดอยู่ในสุรอ้อนฉปนั้นเป็นสุรอ้อที่ว่าถ้าเกิดจะคุยกันนะครับคุยกันได้เป็นปีก็ไม่จบเพราะว่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอิสลามอยู่ในสุรอ้อ น, นี้หมดเลยไปนั้นวันนี้เรามาคุยกันให้เกิดภาษิตสำเนวยไทยเขาพูดพ่ดเล็กพิ้ขี้หนูใช่ไหมครับสุรอ้อสั้นๆง่ายๆโปรยความง่ายใดแต่ความหมายครอบคุมหมดเลยเดี๋ยวเราค่อยๆ ดูกันคนละที่นะครับผมเดี ida, devil, <c batteries> ๋ยวเรามาอ่านกุรานกันก่อนนะครับผมแล้วก็เชนครับรู้ตัวอ่ะเดี๋ยวแป้งมันก็ต้องเอาไม้ไปกันเดี๋ยวเสียงไม่เข้าเดี๋ยวทางบ้านไม่ดีนะรงคับลอฮฺอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮัลอฮฺอัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลอลอลฮ ทว่าสอบถุ้ยว่าสอบสอบคือยังยังอยู่ในช่วงเขือนครับอย่างนี้ช่วงเขินเดี๋ยวต้องให้อ่านบ่อยๆนะครับจะได้ไม่เกิ่นครับในส่วนนี้สั้นๆครับว่ลอัลอินน์อินซานละฟีขุศอัลลลลัฎินอัมมัลวะอัมบุลสลัฮะตว่าสอบบิลฮักว่าทว่าสบิถ้าเราดูความหมายนะครับสั้นๆเรามาอ่านกันสักรอบหนึ่งก่อน อ่านความหมายด้วยกันสักรอบแล้วเดี๋ยวมาดูว่าทำไมนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่หลายๆท่านบอกว่าซูรอนนี้เป็นซูระอที่ว่าครอบคุมความหมายกุฎานทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วพอเราเริ่มต้นด้วยคำ ว, ว่าขอสาบานต่อการเวลาว a ลลัสในส่วนของภาษาไทยนะครับขอสาบานต่อการเวลาอินนอร์ินซ่นอร์ฟีคุแน่นอนมนุษย์นั้นขาดทุนแน่นอนมขาดทุน อิ่ lle ที่นั้นอาเมนูว่ามีศัลย์ทัตว่าทว่าศู่ย์ที่ถูกต้อ ง, งและคอยสั่งเสียกันในสิ่งที่ถูกต้องและคอยสั่งเสียกันให้มีความอดทนฟังแล้วคิดว่าเข้าใจถูกัหมครับคิดว่าทุกท่านได้เจคิดว่าเองเข้าใจละฟังสีนี้ ทำไมอสุร้อนนี้ถึงแทนกุรานแทงเล่มครับมีใครอธิบายได้บ้างทำไมกุรานสุร้อนนี้อิหมั่มชาฟีรองล้อถึงบอกว่าเป็นตัวแทนของกุรานแทงเล่มได้เลยฟังดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับฟังดูเหมือนไม่มีอะไรอ่าผมให้คิดเล่นๆทิชเ่มีใครอยากจะเสนอไอเดียไหมครับ คำถามอีกครั้งหนึ่งอ่าอิมามชาฟีรอยมุส ล, ล็อตันได้พูดไว้นะครับบอกว่าหากพวกเราจะไม่ประทานสุระออะไรเลยนอกจากสุรนนี้ก็ถือว่าพอเพียงแล้วก็คือครอบคลุมทุกอย่างในการเป็นมุสลิมแล้วอยู่ในที่นี้หมดเลยเรามาดูความหมายกันทีละประเด็นทีละประเด็นทีละประเด็นแลเดี๋ยวเรามาสรุปกันในตอนท้ายของชาลอนนะครับผมตอนแรกครับพวกเราเริ่มด้วย ก, การสาบานว่าขอสาบานเกียกับคำว่าขอสาบาน ปกติแล้วมนุษย์เราจะขอสาบานในกรณีไหนครับเมื่อไหรที่เราจะขอสาบานเมื่อไหรที่เราจำเป็นต้องสาบานมนุษย์ทั่วๆไปครับทุกศาสนาเลยทุกความเชื่อในกรณีที่ว่าเราอยากจะให้เขาเชื่อว่าเราพูดจริงแล้วต้องเป็นเรื่องที่สำคัญถูกไหมครับถ้าเป็นเรื่องเล่นๆส่วนใหญ่เราไม่พูดไม่พูดเล่นกัน <c oughs> ก็คือมนุษย์เราใช้การสาบานเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าเราพูดจริง ทีนี้ครับปกติแล้วเวลามนุษย์เราจะสาบานเราจะสาบานกับอะไรครับปกติถ้าเขาแใช้เราสาบานต้องให้เราสาบานกับสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นพระเจ้าหรือเป็นสิ่งที่เราให้ความเคารพเป็นอันดับหนึ่งก็คือถ้าเกิดอย่างมุสลิมก็คือเราจะสาบานต่ออัลลอฮ์เท่านั้นย้านะครับ ในความเชื่อของมุสลิมเราที่ท่านบลลนบีมุสลออิลมได้บอกว่าใครก็ตามที่สาบานต่อสิ่งอนอกจากอัลลอฮ์เขาได้ทำชิลิกแล้วก็แปลว่าไม่แต่การสาบานถ้าสาบานต้องสาบานต่ออัลลอฮ์หรือว่ากับอะไรก็ตามที่ว่ามั่นใจว่าเป็นมาจากอัลลอฮ์ต้องอธิบายนิดหนึ่งที่บอกมาจากอัลลอฮ์แปลว่าอะไรอย่างเช่นขอสาบานต่อคำพูดของอัลลอฮ์นี่คือมาจากอัลลอฮ์ใช่ไหมครับกะลามุญลอ หรือว่าขอสาบานกับมือพระหัตถ์ของพระพงษ์หรือว่าขอสาบานกับอะไรก็ตามที่ว่อัลลอฮ์เท่านั้นถ้าสาบานต่อสิ่งอื่นถือว่าไม่อนุ ญ, ญาตให้แก่ทำเด็ดขาดไม่ว่าจะพูดเล่นหรือพูดจริงไม่ว่าจะเป็นในเนื้อร้องเพลงหรือไหนก็ตามเพราะนั้นเมื่ิมเราเวลาจะร้องเพลงก็ต้องระวังในเรื่องที่มีการขอสาบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ถ้ามีอย่างถ้าเกิดว่าเพลงสมัยก่อนยุคนี้นะ่าจะไม่ทันสมัยก่อนจะมีเพลงฝรั่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนเด็กได้ยินประมาณไอสว์ ไบเดมูนออนเสกายอะไรสักอย่างที่ว่าฉันขอสาบานกับดวงจันทร์บนท้องฟ้าอะไรประมาณเนี่ยครับผมซึ่งใช้ตะปูขับศัพท์ทางศาสนาของคริสต์ใช่ครับส่วนใหญ่เพลงจะอ้างอิงกับความเชื่อทางศาสนาของคริสต์ก็เป็นเพลงฝรั่งถ้าเป็นเพลงไทยก็อ้างอิงทางความเชื่อของคนไทยเพราะฉะนั้นการสาบานอย่างบางครั้งเขาบอกว่าอย่างจันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าเนี่ยเพลงนี้มุสลิมก็ต้องระวังเพราะว่าไปขอกับสิ่งนอกจากอัลลอฮ์ในสิ่งที่เขาให้ไม่ได้ ถ้าเชื่อตามนั้นเป็นชินิตเกิดเสด็จคนร้องเพลงไม่ได้เชื่อตามนั้นแต่มันก็เป็นการปลูกฝังอันตร า, ายละเป็นเรื่องอันตร า, ายเหมนการสาบานครับมนุษย์เราจะสาบานกับสิ่งที่เราเชื่อมั่นสูงที่สุดเพื่อยืนยันความจริงที่เราจะพูดแล้วพระเจ้าล่ะครับสําหรับพระเจ้าพระเจ้าจะสาบานเพื่ออะไรเช่นเดียวกันก็คือเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่พระองค์พูดนั้นเป็นสิ่งที่มันสําคัญจริงๆแบบที่อาจารย์พูดตอนแรกก็คือ พวกเราสาบานกับเรื่องไหนก็ตามไปเร ain, <ๆ>ื่องนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญสําคัญกับใครครับสําคัญกับมนุษย์ทั้งสิ่งที่พระองค์นำมาสาบานกับทั้งสิ่งที่พระองค์มีเป e ้าหมายในการสาบานนั้นอย่างเช่นในกรณีนี้ใช่ไหมพระองค์ราบอกยังไงครับขอสาบานกับการเวลามนุษย์นั้นขาดทุนทั้ง2เรื่องเป็นเรื่องใหญ่ใช่มครัพระองค์ขอสาบานด้วยกับเวลาเวลาเป็นเรื <ๆ S 2> <ๆ>่องใหญ่<ๆ>แล้วมนุษย์นั้นขาดทุนก็เป็นเรื่องใหญ่ เพราะนั้นพงศ์เราได้สาบานในเรื่องใหญ่แล้วก็สำหรับพงศ์เราเรานั้นพรงศ์จะสาบานในสิ่งใดก็ได้ที่พงศ์ต้องการเพราะว่าไม่มีสิ่งใดสูงส่งเหนือกว่าพงศ์อยู่แล้วไม่มีสิ่งใดอยู่ในระดับเดียวกับพองค์เพราะฉนั้นพระงค์เราจะสาบานกับสิ่งที่มนุษย์พิสูจน์ได้เพื่อให้มนุษย์ยอมรับถึงสิ่งที่พงศ์จะเตือนเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูที่พระงค์สาบานจะเป็นสิ่งที่มนุษย์พิสูจน์ได้ เช่นวัสมาไอวัตตริกหรือว่าัชชามสุวัดวงฮาฮาดวงดวงอาทิตย์หรือว่ายามค่ําคืนหรือว่าอะไรก็ตามที่พระองค์สาบานเป็นสิ่งที่มนุษย์พิสูจน์ได้แล้วสามารถถ้ามนุษย์ศึกษาในสิ่งที่พระองค์สาบานอย่างจริงจังจะพบมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นในตอนนี้พระองค์สาบานกับการเวลาทีนี้ครับเมื่อเรามาดูคําว่าอคําว่าอัสเนแปลว่าอะไรได้บ้างเหมือนจะไม่มีประเด็น เหมือนแกนจะแปลว่าเวลาเฉยๆแต่รู้ไหมครับว่าคาว่าอสัสน์เนี่ยในภาษาอรับที่นักวิชาการพูดถึงเนี่ยแปลได้มากถึง9ความหมายแปลได้มากถึงความ9้ความหมายแล้วก็มีนักวิชาการยืนยันด้วยซึ่งผมอาจจะขอพูดแค่บางประเด็นนะครับผมอย่างทัศนะนแรกครับท่านกตาดาเนี่ยท่านบอกว่าอัส์ในที่นี้หมายถึงช่วงสุดท้ายของเวลากลางวัน ช่วงสุดท้ายของเวลากลางวันอย่างที่เรารู้ก็คือช่วงอสัส d ีช่วง asdi นี่คือทัศนะที่1ทัศนะที่2ครับของท่านฮัสซันกับท่านเซตบินอัสลามบอกว่ามันหมายถึงช่วงอาชีต้องแยกระหว่างทัศนะ ก, กับทัศนะที่2ทัศนะแรกที่บอกว่าช่วงท้ายของตอนกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงว่าพูดถึงช่วงท้ายของกลางวันแบบโดยรวม ไม่ได้เจาะจงที่ตอนเย็นคือเขาจะแบ่งเป็นกลางวันกับกลางคืนทัศนะแรกก็คือแบ่งเป็นกลางวันของกับกลางคืนช่วงท้ายของกลางวันก็คือสามารถรวมได้ตั้งแต่ก่อนมรดิบสักประมาณครึ่งชั่วโมงคือเลยอาซาดไปแล้วคือเข้าเวลาอาซาดแล้วแล้วก็เลยอาซาดไปแล้วอันนี้เรียกว่าช่วงท้ายของกลางวันแต่ทัศนีย์สองบอกว่ารวมเวลาอาซาดทั้งหมดคือนับอัซาดด้วยนับเวลาตอนเย็นด้วยเวลาอาซาด ถ้าเกิดเรามาดูในความหมายของทัศนะที่2ครับการที่พวกเร า, เาสาบายนในช่วงเวลาอัสลีที่เราละหมาดอัสลักันนี่ยครับมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราเปรียบเทียบช่วงเวลา24่ชั่วโมงของคนเรา 1. ในช่วงเวลาที่คนรักษาการละหมาดได้ยากที่สุดสําหรับคนที่อยากจะละหมาดตรงเวลานะคนไม่อยากละหมาดเรียกว่ามุนาฟิกเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่สําหรับมุสลิม ที่อยากจะละหมาดในเวลาละหมาดที่เรารักษาในเวลายากที่สุดคือละหมาดอัสรีทุกท่านเห็นด้วยนะครับคือทั้งๆ ท, ท, ที่เวลามันเวลามันก็ค่อนข้างจะยาวอยู่แต่มันทำไมไม่รู้คือฟัชชิลี่ถ้าเราตั้งใจละหมาดได้ดูนีก็ได้มักรดิตเนี่ยก็ขนาดมักริตเวลาสั้นๆแต่ยังละหมาดในเวลาได้อิชานี่ยิ่งหายห่วงในเวลายาวแต่อัสรีมักจะเป็นเวลาที่ว่ามันเหมือนกับ มันก็เลิกงานมันก็เลิกเรียนมันก็น่าจะเสร็จจากทุกอย่างแต่มันกับกลายเป็นว่าอะไรมันมาลุมมาตุ้มมารู้สึกตัวอีกทีปุ๊บมันจะมักกะลิตแล้วช่วงสั้นๆที่คนมักจะมีปัญหากันแล้วก็จะเกิดเราดูในกุฎานที่พวกเราเปรียบเทียบครับผู้ไปใส่ศรัทธาเมื่อไปฟื้นคืนชีพในโลกหน้าเขาจะรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเหมือนแค่ชีวิตในยามสายหรือยามอศาซย์แค่นั้น เพราะฉะนราสังเกตดูครับว่าอัสลีในความหมายของเวลาอาซาดเนี่ยถูกใช้ในหลายที่อันนี้คือทัศนะที่3ทัศนะที่4ครับมองว่าคําว่าอัสลีเนี่ยแปลว่าในทั้งช่วงเช้าแล้วก็ทั้งช่วงเย็นรวมทั้งคู่เลยทั้งเช้ากับทั้งเย็นทัศนะที่4ผมขอไปเร็วๆ เ, เลยนะกันนะครับผมทัศนะที่4ก็คือยุคสมัยของท่านนบีทัศนะที่5ยุคสมัยของมนุษย์ทั้งหลาย แล้วก็โดยสรมุมอ่ะโดยสรมุมผมจะบักสรุปกับโดยรวมกลายเป็นโดยสรมุมเ <c oughs> งี้ยสรุปเลยนะครับว่าคําว่าว่าอัสในกรณีนี้นะครับมีนักวิชาการที่พูดความหมายเป็นไปได้ในภาษาหลับว่าอัสมันแปลว่าอะไรได้บ้างซึ่งปกติแล้วนกักอธิบายคุรอานจะบอกถึงความเป็นไปได้ของภาษาทั้งหมดและถ้ามันเป็นไปได้ทั้งหมดเราก็จะถือว่ายักุรานนั้นเป็นไปได้ว่าจะสื่อทั้งหมดเลยคือไม่ต้องไปแยกว่าจะแปลว่าแค่ช่วงหนึ่งช่วงใด เพราะฉะนั้นคำว่าว่าอาร์เซียลล์ Allah ขอสาบานในที่นี้จะเป็นการสาบานทั้งหมดเลยทั้งเป็นการสาบานในช่วงของอัซัตทั้งเป็นการขอสาบานในช่วงก่อนที่จะเข้าเวลามักลิบทั้งเป็นการสาบานทั้งในยุคสมัยที่มีมนุษย์เกิดขึ้นทั้งเป็นการสาบานในอะไรก็ตามสรุปเรืองสาบานในเรื่องของการละเวลาเพราะการเวลานั้นคือหนึ่งในสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดเจ้าลล์ Allah สร้าง เพราะเวลาคือสิ่งที่เราล้อสร้างนะครับมนุษย์เราบางครั้งถ้าเกิดว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจะไม่มีใครมองคําว่าเวลาในมุมมองของสิ่งที่ถูกสร้างถูกไหมครับไม่มีใครมองแต่มุสลิมเราเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราล้อเป็นผู้สรรสร้างเพราะนั้นคําว่าเวลาก็ตามเ น, นเมื่อพวกองค์เป็นคนสร้างเวลาพวกองเป็นผู้สร้างเวลาพวกองจึงสามารถสร้างเวลาตามที่พวกองคต้องการอย่างไงก็ได้ บางวันตอนกลางวันยาวนานบางที่ตอนกลางคืนยาวนานกว่าบางทีก็เท่ากันเดีะหรือว่าโลกหน้าช่วงวันแห่งการสอบสวนหนึ่งวันมันยาวนานกว่าโลกนี้วันที่อยู่ในสวรรค์ก็ยาวนานกว่าวันที่อยู่ในโลกนี้ก็แปลว่าเวลาเป็นสิ่งที่อยู่ในการสร้างของพรลองค์พระองค์จะสร้างตามที่พระองค์ทรงประสงค์เหมือนกับว่าช่วงกอดวันสิ้นโลกครับตอนที่ดเยจะมาปกครองโลก ท่านอาวีมัสโลลลัลสลามบอกว่าวันแรกที่ดัชฌานมาปกครองโลกเนี่ยจะมีความยาวนานเท่ากับหนึ่งปีวันที่2องจะยาวนานเท่ากับหนึ่งเดือนหมายความว่าคําว่าวันคําว่าเวลาเป็นเพียงสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตจึงไม่มีอะไรที่เป็นขีดจํากัดสําหรับอัลลอฮ์เพราะนั้นมุสลิมเราจะมีความเชื่อมั่นเต็มหัวใจของเราว่าเวลาไม่ใช่อุปสรรคสำหรับพระองค์ ไม่เหมือนกับกลุ่มบางกลุ่มที่อ้างว่าเป็นมุสลิมแต่เขาบอกว่าพระเจ้ามีเรื่องผิดพลาดพระเจ้าทําสิ่งนั้นพลาดทําสิ่งนี้พลาดแล้วแก้ไขไม่ได้เพราะเวลามันผ่านไปแล้วมุสลิมเราไม่เช่อย่างนั้นไ ม, ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำพลาดไม่มีเลยไม่มีเลยทีนี้ครับพระองบอกว่าขอสาบานด้วยกับการเวลาเพราะการเวลานั้นคือทุกอย่างของมนุษย์คือตัวตนของเราขึ้นอยู่กับเวลาที่เรามีชีวิตเมื่อเวลาที่เรามีชีวิตหมดไป ตัวตนของเราก็จบแล้วพงศลสรุปสิ่งที่สําคัญที่สุดของคนก็คือเวลาพงศ์บอกไว้เลยครับอินเนลอินซนนลฟิอุสขอสาบานต่อการเวลานะแน่นอนที่สุดมนุษย์ทุกคนทุกคนที่เป็นมนุษย์ขาดทุนหมดเลยมีขาดทุนมากขาดทุนน้อยบางคนดุจยาก็ขาดทุนโลกนาอาเครอก็ขาดทุนบางคนขาดทุนแค่ดุจยา อาคีรอตไม่ได้ขาดทุนบางคนอาคีรอตขาดทุนดุนยาไม่ขาดทุนครับว่าขาดทุนเน่ยมีหลายมิติแต่พรวกเราบอกว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนั้นล้วนแต่ขาดทุนสุภานล้อครับถ้าพี่น้องสังเกต ด, ดูสุร้อก่อนสุร้อนี้เวลอัสเรายังไม่ได้พูดกันนะครับผมเรายังไม่ได้พูดกันสุร้อก่อนสุร้อนี้คือสุร้ออะไรครับอัลฮากุมุตตะแก่สุร มีความเกี่ยวพันกับซูลร้อนี้เลยเพราะในซูลร้อก่อนหน้านี้ซึ่งเราจะได้พูดคุยกันแนอาิดหน้าอินชาอัลลอฮ์พอเราบอกว่าไงครับการสะสมอะไรก็ตามครับการสะสมให้มันมากขึ้นนะครับมันทําให้เจ้าหนาหลงและเรามีความสุขสะสมของที่อยากสะสมสะสมกระเป๋าสะสมรองเท้าสะสมนาฬิกาสะสมเงินทองสะสมรถสะสมบ้านสะสมที่ดิน พระบบการสะสมทั้งหมดนั้นมาทําให้คนนั้นหลงและเลินแล้วพวเรเลอสก็มาพูดในสุร้อนี้ว่าไงครับแล้วมนุษย์ทั้งหมดนั้นขาดทุนความาหมายต่อเนื่องกันและเดี๋ยวถ้าเกิดเราดูนะครับช่วงสุดท้ายของสุร้อนี้จะสอดคล้องกับช่วงแรกของสุระอนถัดจากนี้ที่เราพูดกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเราพูดกันในสุระ์วัยุ่นใช่ัหมครับวัยรุ่นหรือคุณยูมาร์ตินลูมาซ่ ความไหายนะั้นเกิดแก่ผู้ที่ชอบนินทาชอบสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นซึ่งก็มีความเกี่ยวเนื่องอย่างชัดเจนกับช่วงท้ายของซูร์ร็อตหนีแต่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเมื่อถึงเวลาถ้ามีเวลาอีกชั่วโมงครับเรามาดูในประเด็นของเราต่อครับพวกเลาขอสบานยนะกับการเวลาที่เป็นตัวตนของเราทั้งหมดพวกเลาบอกว่าทุกคนนั้นขาดทุนขาดทุนในพฤติกรรมของเขาขาดทุนในความหวังของเขา ขาดทุนในการดําเนินชีวิตขาดทุนในทัศนคติทุกอย่างมาทําให้เขาขาดทุนหมดเลยทําไมเราต้องขาดทุนเพราะเราให้ภาพดวงตามามีอิทธิพลกับเรามากกว่าความเป็นจริงมองในมุมมองของผู้ใหญ่มองในมุมมองของผู้ใหญ่อย่างพวกเราทุกคนเนี่ยครับที่เป็นผู้ใหญ่มีใครติดเกมมั้งครับอ่าไม่มีนะเวลาเห็นเด็กๆวัยรุ่นติดเกมรู้สึกยังไงครับ ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสมมุติสมมุติเราได้ยินเขาพูดสมมุตินะสมมุติมีเด็กวัยรุ่นคนนึงบอกเราว่าเนี่ยเขาใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆถึงจะได้ไอเทมชิ้นหนึ่งมาในเกมมันเป็นไอเทมที่ว่าทําให้เขาเหลือเจิงมากๆเลยเราฟังแล้วรู้สึกไงครับอลิซ่าหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เธอหมดไปกับของอะไรที่มันไม่มีตัวตนเธอจับต้องไม่ได้มันมีความสุขของเธอเลยบางทีเราคิดอย่างนี้กับเด็กถูกไหมครับ ในขณะเดียวกันเราก็กําลังทาแบบเดียวกับที่เราว่าเด็กนี่แหละถูกไหมครับเพราะเราก็กําลังสะสมเงินเรากําลังสะสมทรัพย์สินเราคิดว่าเราจับต้องมันได้เราคิดว่ามันเป็นของเราจริงๆแต่ขอให้รู้ไว้ครับว่าเราไม่ได้ต่างอะไรกับเด็กที่เราว่าเขาเลยเหมือนกันเหมือนกันตรงที่ว่าเรามองว่าเขาขาดทุน <Allah S 1> ออลล่าก็กําลังมองว่าเราขาดทุนอยู่ เพราะว่ชีวิตของเรา24ชั่วโมงหลักๆแล้วเกินครึ่งเราทุ่มให้กับสิ่งที่มันจะต้องสับสนมีมือถือเครื่องไหนบ้างที่ใช้แล้วไม่พังมีนาฬิกาเครื่องไหนใส่แล้วมันไม่พังมันไม่หยุดเดินมันไม่มีรถคันไหนที่ใช้แล้วใช้ได้เลยหรือว่าบ้านใหญ่โตแค่ไหนที่ซื้อแล้วไม่ต้องซ่อมมันก็ไม่มีท่านอบีบัสรางลอฮ์อัสลามบอกว่าสิ่งที่เป็นของเราจริงๆมีแค่สองอย่างสิ่งที่เป็นของมนุษย์จริงๆ น, น, นะครับ มีเพียงแค่สองอย่างเท่านั้นอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วต้องกินเข้าไปแล้วนะแค่เอามาตั้งใช้ใช้อาจจะไม่ใช่ของเราเหมือนคนบางคนครับเอามาตั้งไว้ถึงเวลาปุ๊บท้องเสียไม่ได้กินหรือบางคนผมชอบคำพูดเอป้าคนหนึ่งมีคนไปขายกล้วยให้ป้าคนนั้นก็อายุอายุเยอะแล้วไม่ไหวแล้วมีคนเอากล้วยดิบไปขายบอกป้าซื้อไม่เนี่ยกล้วยกําลังสวยป้าเขาบอกว่าไงครับหลานเก็บไว้เถอะป้าไม่รู้ว่าป้าจะมีอายุอยู่ จนถึงมันสุกหรือเปล่ามันเป็นอย่างงี้จริงๆนะครับคือมันไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่บางทีอย่างคนที่ยังหนุ่มอยู่บางทีอย่างเด็กอยู่ของที่อาหารที่เราคือเป็นของเราอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ทันได้กินเราตายก่อนเกดอะไรขึ้นวุ่นวายลำพระนัตถานิยมสอนเสมอว่ของที่เป็นของเราจริงมีแค่2 อ, อย่างคืออาหารที่กินไปแล้วย่อยไปแล้วอันนั้นเป็นของเราจริงๆแล้วกับเสื้อผ้าที่เราใส่จนมันพังไปแล้ว จนมันเปื่อยจนมันยุ่ยแปลว่า อ, อนะื่นเน่ยเสือ้อผ้าเป็นของเราจริงๆส่วนที่เหลือมันไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วถ้าเรากลับมาพูดถึงเรื่องการใช้เวลาของมนุษย์ประเด็นในเรื่องการใช้เวลาของมนุษย์ถ้าเราดูในคำภีอรปปรารุปกลาแล้วก็ที่ท่านบีมัสละลองอะัลสลามพูดไว้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจท่านบีมัสละสลามบอกว่าความโปรดปานสองอย่างที่มนุษย์ทุกคนได้เหมือนกันหมดได้กัน ส่วนใหญ่ได้กันหมดเลยใครก็ตามที่ได้มันมักจะไม่เห็นค่าของมันท่านอบดุีใช่ครับว่าคนส่วนใหญ่จะไม่เห็นไม่เห็นค่าของมันมีอะไรบ้างครับความปวดปลาสองอย่างที่มนุษย์แทบจะคู่ได้หม ด, ดครับทั้งคู่เลยครับก็คือเวลากับสุขภาพคือแทบไม่มีใครหรอกครับที่เกิดมาแล้วแบบสุขภาพแย่ตลอดชีวิตโดยทําอะไรไม่ได้เลย ถ้ามีก็เอาล้อทดสอบจริงๆเอาล้อเมตตาแล้วก็ให้ภัยแก่เขาแต่ตามปกติคนเราจะไม่รู้คุณค่าของการมีสุขภาพจนกว่าจะต้องไปหาหมอส่วนใหญ่เวลาไปโรงพยาบาลนะครับพยาบาลที่ผมเจอหลายคนพูดเหมือนเหมือนกันเลยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องเจอกันอีกนะคือเหมือนเขาพูดแบบไม่มีน้ำใจแต่ความจริงเขาเป็นห่วงจริงอ่าคือถ้าเกิดเจออีกที่แปลว่ามันไม่สบายนะสุขภาพกับเวลา เรื่องของเวลามันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดจนถึงตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจผมคงต้องอายุเยอะกว่านี้สักหน่อยเวลาที่ว่างมากๆอะครับงานแทบไม่มีคุณภาพเลยมันต้องเวลาที่แบบยุ่งยุ่งมันจะรู้สึกอันนั้นก็อยากทำมันนี้ก็อยากทำเฉดต้องทำมา น, นั้นฉัดต้องทำมา น, นี้แล้วมันทำแล้วทำแต่พอว่างบางทีมันโตเตะแล้วมันไม่ได้ทำอะไรเลยบางทีวันนึงหมดไปมีของต้องทำสิบอย่างแต่รู้สึกว่าว่างไม่ทําอะไรหมดไปเลย แต่พอถึงเวลามันจําเป็นจะต้องทำมันรู้สึกว่ายาอัลลอฮ์เนี่ยฉันหยุดเวลาสักห้านาทีได้ไหมเนี่ยอีกห้านาทีงานมันน่าจะเสร็จคนเรามักจะเป็นแบบนั้นในเรื่องของเวลาซึ่งพ่ออัลลอฮ์ก็ได้สาบานเกี่ยวกับเวลาไว้ว่ามนุษย์ทําเรื่องของเวลาได้ขาดทุนมากที่สุดขาดทุนมากที่สุดในเรื่องของเวลาแล้วเช่นเดียวกันครับพ่ออัลลอฮ์ทรงอัตราดิสรงกล่าวไว้ในคัมภี์กุรานว่าุลท um ีอิบาริย์ที่อินอัสรฟูอัลลอังอฟุสฮิมลาตักเนตูมีรหัตอิลลา เราพูดถึงความเมตตาของพระองค์ครับพอเราพูดถึงพวกเราทุกคนพูดถึงผมพูดถึงอาจารย์มานัสพูดถึงฝาดินพูดถึง ท, ทุกคนที่อยู่อยู่ที่นี้เพอเราบอกว่าไงครับมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดแก่บาวของข้าที่เขาได้ฟุ่มเฟือยที่เขาได้ฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิตของพวกเขาฟังแล้วมันโดนไงครับมันโดน คือเลยทำความชั่วเราทําอะไรก็ตามเราจะดูหนังเราจะฟังเพลงเราจะนินทาเราจะใส่ร้ายเราจะบกพร่องในการทําอีบาดาเราจะละหมาดแบบไม่มีคุณภาพเลย เ, เราจะทําอะไรที่มันเหลวแหลกอะไสุดๆทั้งหมดพรอเราะสะรุปในคําง่ายๆของพระ อ, องค์ว่าบ่าวที่ใช้ชีวิตไปอย่างสุรุ่ยสุรย่ย คุณลีอิบาดเยลอดีนอัสรฟูอัลลอังผู้เสียมจงกล่าวแก่บ่าวของข้าที่เขาใช้ชีวิตของเขาไปอย่างฟุ่มเฟือยอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของข้าลตาตักลาตูเมรอมาตินลาอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของข้าข้าจะให้อภัยได้ในบาปทุกอย่างตราบใดก็ตามที่เขามาขออภัยด้วยต่อข้านี่คือความยิ่งใหญ่พอหรแล้วก็แสดงให้เห็นว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยคาว่าเวลากับมนุษย์เราขาดทุนกับมันมากที่สุดแล้ว ต, นน ต, ต่อให้เราคิดว่าเราเป็นมุสลิมที่ดีแค่ไหนก็ตามต่อให้เราคิดว่าเราเป็นมุสลิมที่ดีแค่ไหนก็ตามต่อให้เราคิดว่าเราตอบแทนต่ออัลลอฮ์ได้มากแค่ไห น, นก็ตามเพราะไม่ต้องแค่กับอัลลอฮ์ครับแค่มนุษย์บนโลกเรายัางแทบไม่สามารถตอบแทนใครได้จริงแค่คนเป็นพ่อแค่คนเป็น แ, แม่ก็แทบเป็นไปไม่ได้ละเหมือนกับที่ว่ามีครั้งหนึ่งที่ว่ามีคนตะววัแบกแม่อุ้มแม่ครับอุ้มแม่ไว้แล้วก็เดินตัววัรอบ ก, กาบา มีคนเห็นกระฐานทัติอุมารว่าเนี่ยบาคนนี้นี่เขาเป็นลูกกระตันยูเขาตอบแทนพ่อแม่ได้ดีจริงๆรซาบ้าบอกว่าไงครับเขาตอบแทนไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแม้แต่เสี้ยวเดียวของที่แม่เคยทําให้กับเขาขนาดอุ้มหลังลูกนะถ้าเกิดว่าลูกเอาแม่มาอุ้มมาเอาแม่มาแบกหลังเนี่ยครับแม่มาอยู่บนหลังเนี่ยถ้าลูกได้เดินสักกิโ ล, ลนี่คงรู้สึกว่าทําดีกับแม่มหาศาลละ แต่บางทีลูกก็ลืมไปว่าแม่แบกลูกมาเก้าเดือนเต็มๆไม่เคยล้ำเลิกไม่เคยคิดว่ามันเป็นบุญคุณมหาศาลอะไรเหมือนกับที่ในลหลายๆเหตุการณ์ครับลหลายๆการเหมือนกับที่ซบาบ้ะท่านหนึ่งที่ว่าทําความดีกับพ่อแม่เยอะมากทำทุกอย่างเท่าที่คนคนนึงจะทําได้ให้ความดีทุกอย่างให้เงินทุกอย่างให้ความช่วยเหลือให้ความเมตตาให้ความอบอุ่นคอยปลอบใจแม่คอยรักษาดูแลสุขภาพเป็นห่วงทุกอย่างแล้วก็ไปถามท่านอบีมัสละลองอเลสลัม บอกยาระเสวงวเนี่ยผมตอบแทนพ่อแม่ผมดีแล้วใช่ไหมผมทําดีแล้วใช่ไหมคือเขาทําดีกว่าที่ผมทำํำจะชัวร์แหละ mm hmm. สัมบอาธานี้ไปหาท่านอาบีแล้วก็บอกว่าผมทําดีแล้วใช่ไหมท่านอาบียว่าซาดิสตบอกว่าไงครับเปล่าไม่ได้แล้วความทุ่มเทของพ่อแม่ที่มีให้กับเจ้าเนะี่ยพ่อแม่เลี้ยงเจ้าโดยหวังจะให้เจ้าเติบโตส่วนเจ้าทําดีกับพ่อแม่โดยหวังจะให้ท่านทั้งสองตาย คุณ ภ, ภาพของใจมันมันไม่มีทางเทียบกันได้ถูกไหมครับการทุ่มเทใจที่เราทุ่มเทเพื่อให้เด็กคนหนึงเติบโตเพื่อที่เขาจะได้ไปต่อกับการที่เราทุ่มเทดูแลพ่อแม่สุดท้ายลึกๆในใจเราก็รู้ว่าถึงเวลาจะเลี้ยงไปเลี้ยงไปกันอดทนไปเหนื่อยไปอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไปละไปอะไปแล้วสบายและ้ะบางทีก็รอมาระดกอีกทีท่านอบิรุเซอจึงบอกว่ามั น, ม, นมันเทียบกันไม่ได้เพราะนั้นกับมนุษย์มันยิ่งเป็นไปไม่ได้กับพ่อแม่เป็นไปไม่ได้ กับพวกแล้วจึงไม่ต้องคิดถึงเลยจึงไม่ต้องคิดถึงเลยเหมือนกับที่ท่านอบีุบสลส์สเลสามพูดกับซาบะว่าไงครับพวกท่านทั้งหลายจงรู้ว่าพวกท่านไม่มีทางที่ใครจะได้ เ, เข้าสวรรค์ด้วยการงานของเขาเองเป็นไปไม่ได้ท่านจะทํางานตลอดชีวิตจะทํางานดีแข่ไหนก็ตามมีบ่าวคนหนึ่งที่ว่าร้อยเขาอายุยืนเขาออกไปอยู่กลางเกาะไปทําอีบาดาทําความดีทําการละหมาดล้มนึกถึงตลอดชีวิตในบางสายงานว่าร้อยปี ตลอดร้อยปีทามีบาได้อย่างเดียวถึงเวลาโลกแน่เอาล้อสอบสวนเอาล้อบอกไงครับเจ้าจงไปเข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของข้าจะทําดีมาร้อยปีจงเข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของข้าบาวคนนั้นได้ยินรู้สึกไงครับสะดุดสะดุดเออล้อครับผมขอเข้าสวรรค์เพราะพฤติกรรมที่ผมทําได้ไหมมันต่างกันนะมันต่างกันเข้าสวรรค์เพราะล้อเมตตากับเข้าสวรรค์เพราะผมทําดี ผมขอเข้าสวรรค์เพราะความดีที่ผมทําได้ไหมพระวล้อบอกว่าไงครับถ้าอย่างนั้นต้องเปลี่ยนต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่ต้องคุยกันใหม่เมื่อกี้พระวล้อตัดสินบ่าวคนนั้นด้วยความเมตต า, างั้นเปลี่ยนเป็นตัดสินด้วยความยุติธรรมโลกหน้านะครับท่านมีพระสัจว่าไม่มีใครเข้าไ ม, ไ, มไม่มีไ่ทางที่ใครจะเข้าสวรรค์ได้นอกจากอล้อจะเมตตา ซาบะถามว่านาบีก็ไม่ได้เลยนบีก็บอกฉันก็ไม่ได้นอกจากพอล้อไม่แต่ฉันจะได้เข้าสวรรค์ <S <S เรื่องราวของชายคนนั้นครับเมื่อถึงเวลาพอล้อบอกว่ามาตัดสินใหม่แท้ด้วยความยุติธรรมต้องแบบประมาณว่าถ้าพูดภาษานักเลงก็คือต้องมัดต่อมัดเลยต้องเทียบกันเรื่องต่อเรื่องความดีที่ออล้อให้เขากับความดีที่เขาทําเพื่อออล้อเอามาเทียบกันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องพอล้อเริ่มจากอะไรครับความปวดปลานที่ออล้อให้เขามองเห็นตลอดชีวิตที่เขามีชีวิตอยู่ร้อยกว่าปี เขามีตาไว้มองเห็นตานี้เป็นความปวดปานที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าเรามาคิดถึงความโปวดปานของ Allah, เราเราลองหลับตาดําเนินชีวิตอยู่สักครึ่งวันเราจะรู้เลยว่าการมองเห็นมันเป็นความโปวดปานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มหาศาลเลยพอเราบอกว่างั้นดูซิว่าความดีที่เจ้าทําแลกกับดวงตาที่แค่ให้เจ้ามองเห็นได้ไหมเรารว่าแลกได้ไหมล่ะครับ ถามว่ามีมหาเศรษฐีคนไหนในโลกที่เขาบอกว่าทุ่มเงินทั้งหมดที่เขามีแลกกับดวงตาที่มองไม่เห็นของเขาถามว่ามีใครเอาตามาให้เขาได้บ้างเป็นไปนไม่ได้ครับสมัยนี้การแพทย์ไม่มีใครสามารถทำให้คนตาบอดแบบไม่มีตานะให้เขาสามารถมองเห็นได้ปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถทาได้คือหมายความว่าต่อให้เรามีเงินมากแค่ไหนก็ตามผมพูดถูกใช่ไหมครับหมายความว่าต่อให้เรามีเงินมากแค่ไหนก็ตาม ซื้อตาขอรอไม่ได้แล้วเราคิดดูว่าเราแค่ไปละหมาดผมใช้คําว่าแค่นะเพราะเงินที่เราหาตลอดชีวิตแต่ละหมาดนี่คือวันหนึง่งเวลาละห้านาทีสามนาทีคือถ้าละหมาดวันหนึ่งห้าเวลาใช่ไหมครับตีไว้ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไปทํางานที่ไหนไม่มีทางได้ตังค์เยอะหรอกมันต้องทํางานเป็นวันแต่นี่คือเราละหมาดวันละประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วไปคาดหวังว่าต้องได้สวรรค์ชั้นสูงสุดด้วยการงาน พเพลาะเลยเมื่อมาช่างดูความดีที่เขาทํามาตลอดชีวิตกับการมองเห็นของกันและกัการมองเห็นของกันและกันั้นเป็นความยิ่งใหญ่ที่หนักกว่าเขาไม่สามารถที่จะชดใช้ความเมตตาที่เราให้เขามองเห็นได้ยังเหลือเยอะแยะเลยที่รออยู่ยังเหลือลิน้นยังเหลือระบบขับถ่ายขับถ่ายไม่ได้นี่งานเขา่าเรื่องใหญ่เลยนะระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทระบบกระดูกระบบประสาทละพัดเพลาะยังไม่ได้มาเทียบเลย เมื่อเทียงไม่ได้เพราะเราบอกใอ้ครับงั้นเจ้าจงไปลงนรกด้วยพฤติกรรมของเจ้า น, นี้เด็กขา้าวสวนดีๆนะครับเขาเรียกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีคือผมก็พูดไปงั้น น, นะนะคนนั้นทั้กหดดียิ่กว่าผมอีก<ๆ>พวกเราใกล้มาลัก้าพาชายคนนั้นจะไปลงนรกพอเข้าไปใกล้ถึงนรกเข้าไปใกล้ถึงนรกใกล้ถึงโรกแช่คนนั้นเป็นไงครับเริ่มร้อนเริ่มทรมานเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็เลยขอกับมาลัยก้าว่า ไหนๆฉันก็จะลงนรกแล้วขอน้ําสักแก้วเป็นแก้วสุดท้ายได้ไหมตอนนี้เหนื่อยมากหิวมากทรมานมากไหมครับพูดง่ายๆครับได้สิแลกกับการงานตลอดชีวิตที่เจ้าทํามาเอาไหมที่ทํามาณีดุนยาเนี่ยหนึ่งร้อยปีเนี่ยแลกกับน้ำหนึ่งแก้วจะแลกไหมไปเราแลกไหมครับ <c oughs> <c oughs> ครับคือเบ๊ ส่นใหญ่ถ้าเราคิดก็คงว่าไม่แลกนะครัผมตอนนี้ผมก็คิดว่าไม่แลกแต่คือเราเราเราไม่ได้ใส่รองเท้าของคนค น, นั้นไงคือคนนั้นแต่แรกก็บอกไม่แลกเนี่ยแต่พอเข้าใกล้นรกด้วยความทรมานด้วยความที่มันร้อนด้วยความที่มันมันไม่ไหวสุดๆนะครับอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วไงมาแลกก็แลกขอน้ำหนึ่งแก้วเขาได้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วพอดื่มน้ําเสร็จชายคนนั้นว่าไงครับช่วยพาฉันกลับไปหาล้อนีอ่ ม่ไรับพาเข้ากับแมวเหรอชายคนนั้นบอกว่าไงครับยาวเหรขอให้ผมได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาขององค์พระเถรผมไม่เหลืออะไรแล้วความมีรย์้อยปีหมดไปแล้วไงครับหมดไปแล้วกับน้ําแก้วเดียวคือถ้าเกิดเรามาดูจริงๆอ่ะครับจริงๆพี่น้องสุภาณวะมนุษย์เรารู้ใช่ไหมครับว่าองค์ประกอบของน้ําคือ H2O ไปถามใครเด็กวิศว์เด็กชีวะเด็กรู้อะไรกันหมดแหละเด็กประถมก็รู้ละ แต่ถามว่ามีมนุษย์คนไหนสามารถสร้างน้ําได้บ้างผมใช้คาว่าสร้างน้ําเลยนะเอาวิซูมาเข้าห้องแล็บแล้วก็ทําให้มันเป็นน้ําที่ดื่มได้เลยมีใครทําได้ไม่มีมันต้องใช้องค์ประกอบมันต้องมีความเหมาะสมมันต้องมีสภาพตามธรรมชาติที่เอือ้อเหมือนกับที่เราเลือกอย่างฝนหลวงอย่างอะไรใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าทำร้อยครั้งจะติดร้อยครั้งมันต้องมีเงื่อนไขยเยอะเพราะนั้นถ้าเราพูดกันจริงๆเอาแบบเอาเนื้อจริงมาพูดนะครับ ละหมาดทั้งหมดที่เราทําแลกกับน้ำหนึ่งแก้วมันยังไม่คุ้มเลยไม่คุม้มหมายถึงเพราะเราไม่คุ้มนะให้น้ําเรามาณหนึ่งแก้วเนี่ยเราละหมาดตลอดชีวิตเนี่ยแลกเราได้กําไรเพียบเลยแต่นี่คือเรากําลังคิดว่าเราทําความดีเยอะแล้วฉันต้องได้สวรรค์ฉันต้องได้ความเมตตาเนี่ยเราต้องให้อภัยฉันต้องได้เงี้ยฉันต้งได้งี้โอ้บางคนละหมาดทีนี่รู้สึกเดินออกสู่เหล่านี่แบบโอ้อ ล, ลอติดหนี้ฉันแล้วอะไรประมาณเนความรู้สึกอารมณ์ประมาณนั้น ครับแต่กะบเวิไปครแต่กับเวิคือภาษาหลับแปลตรงตัวเลยคือรู้สึกว่ามันใหญ่อ่ารู้สึกว่ามันใหญ่ครับ อ, อินาลิลาครับแล้วกลับมาดูในอายะของเราครับอย่างที่บอกประเด็นจริงๆสุร้อนี้ถ้าจะคุยกันคุยกันยาวเพราะมีหลายประเด็นเยอะมากแล้วก็เผื่อยาอยาไมงาไม่รู้นะสุร้อในกุรานที่ต้องใช้เวลาอธิบายมากที่สุดคือสุระอะไรไวันอัสเพะคอบครัทั้งหมดดูได้ไงเนี่ย เดาลุกเหรออ๋อรู้พอรู้บ้างนี้วเราทำดีแล้วมาชานล ะ, ละพ่อพ่อชื่ออะไรนะอ้า <laughs> <c oughs> ครับวัล well, อัส ขอสาบานต่อเวลาทั้งหมดในทุกช่วงชีวิตของมนุษย์ไม่เป็นช่วงไหนก็ตามช่วงขาขึ้นช่วงขาลงช่วงที่เขามีความสุขช่วงที่เขามีความทุกข์ช่วงที่เขาทําดีช่วงที่เขาทําชั่วพวกเราขอสาบานกับเวลาทั้งหมดที่เราให้ความสําคัญกับมันที่เราไม่ให้ความสำคัญกับมันที่เราฟุ่งเฟือยกับมันที่เราเห็นคุณค่าของมันที่เราอะไรก็ตามทั้งหมดมนุษย์ทุกคนคือพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้ทุกคนขาดทุนหมดเลยพวกเราบอกว่ามีเพียงสีเงื่อนไขที่จะทําให้เราไม่ขาดทุนไม่ใช่ผู้ขาดทุน เราต้องทำสี่เงื่อนไขนี้ให้ได้ไม่ใช่ทำแค่ครั้งสองครั้งแต่ต้องทำตลอดชีวิตแล้วต้องทำดีขึ้นไปเรื่อยเรื่อพอเงื่อนไขสี่ข้อนี้ไม่มีใครสามารถทำมันได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีไม่มีแต่หน้าที่ของผู้ศรัทธาแบบที่ท่านบีรรมัสลูรองไวสละบอกไว้ก็คือผู้ศรัทธาคือคนที่วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานโจ์นิหินนะครับโจ์นิหินเพราะคนบางคนมีชีวิตอยู่10ปี เป็นวันเดียวที่ซ้ำกันจนครบสิบปีเท่าตัวเสมอตัวอันนี้ยังดีนะแต่ตามธรรมชาติของคนมันจะไม่เสมอตัวใช่ไหมครับมันจะเป็นแก๊บแนวลงมันจะค่อยๆลงลงลงลงลงลงลงสังเกตดูคนที่แบบไม่เคยพูดคำหยาบจะมาพูดคำหยาบตอนอายุเยอะคนที่ไม่เคยทำอะไรที่แบบว่าไม่มีมารยาทจะกล้าทาตอนอายุเยอะขึ้น ยิ่งอายุเยอะมันยิ่งหยาบยิ่งก้านเพราะฉะนั้นกราฟที่ว่าจะมาแนวตรงเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้สำหรับมุสลิมคือเรามีทางเลือกแค่สองทางถ้ามันไม่ลงมันก็ต้องขึ้นก็เลือกทางอย่งทางใดอินลารีนาอามานโพลล์ทรงเริ่มด้วยกับคุณลักษณะข้อแรกที่สำคัญที่สุดของการที่จะหลุดพ้นจากการเป็นผู้ขาดทุน ถ้าไม่อยากขาดทุนนะแล้วไม่มีข้อนี้นะขาดทุนล้านเปอร์เซ็ต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะนั่นใช่คว่าอัลลอฮดีนอามาหูผู้ที่ศรัทธาแล้วไม่ใช่ว่าฉันกําลังจะศรัทธาหรือฉันอยากจะศรัทธาไม่ใช่ว่าเดี๋ยวลอก่อนแต่เนี่ยฉันพร้อมแล้วที่จะละมาแต่ฉันลอก่อนเดี๋ยวค่อยไปละหมาทีหลังฉันจะละหมาดทีหลังหรือฉันจะไปทําฮัดทีหลังหรือฉันจะเป็นคนดีทีหลัง อันนี้คือจะในกุรานพวกเราเลใช้คำว่าอามานูผู้ที่ศรัทธาแล้วไม่เป็นไรครับผมบรรดาผู้ที่เขานั้นได้ศรัทธาแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าศรัทธามันคือเรื่องของเตาฮิต ท, ทั้งหมดเลยหมายถึงที่เราเรียนกับอาจารย์ดาวุฒนะครับอยู่ในข้อแรกนี้วิชาเตาฮิตสี่เล่มที่กาลังรองอยู่เล่มแรกจบแล้วใช่ไหมครับครับอีกสามเล่มกาลังรองอยู่ อยู่แค่คําว่าอัลละดีนะอมอนูและในกุรไกรทั้งหมดนะครับสุรัตอิคลาสในเรื่องอะไรก็ตามที่พูดถึงการศรัทธานี่คือผู้ศรัทธาเพราะคําว่าศรัทธามันไม่ใช่เป็นก้อนก้อนเดียวเราต้องทําความเข้าใจนะครับคําว่าศรัทธาไม่ใช่คําว่าก้อนก้อนเดียวคือถ้าใครมีปุ๊บแปลว่าสมบูรณ์เลยหรือใครไม่มีแปลว่าไม่มีเลยไม่ใช่อิมัลมันไม่ใช่ก้อนก้เดียวอิมัลมันเป็นสิ่งที่ว่ามันมีขึ้นแล้วก็มีลง ก็คือมันมีขึ้นขึนขนขนไปเรื่อยๆมีลงลงเนื่อยอีหมานขึ้นเดียวกับอะไรครับการที่เราทําสิ่งที่เชื่อฟังคําสั่งของละล้อการที่เราละออกห่างจากสิ่งที่ละห้ามการที่เราทําสิ่งที่องค์สั่งใช้การที่เราอยากทําตัวให้ละรักทุกครั้งที่เราทําอิหมานจะเพิ่มถ้าเราสังเกตดูด้ว ย, ยโดยเฉพาะเวลาเรามาพูดเรื่องของละล้อนะครับเวลาที่เรามาทําการศึกษาเนี่ยอิหมานเหมือนมันจะพุ่งปีขึ้นไปหน่อย แล้วีิมานจะลดตอนไหนครับออกจากห้องไว้ไหนไวไปไหม <c oughs> ออกจากห้องนี่ือเราจะไปละหมาดยหม่านยังไม่ลดอ่ะยิมานยังไม่ลดยหม่านจะลดตอนที่ทําอะไรก็ตามที่เป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์อะไรก็ตามทุกสิ่งที่ทําแล้วเราไม่พอใจนั่นแหละจะทําให้อยหมานของเราลดลงลดลงลดลงลดลงหรือการที่เราเคยชินกับดุนย a ส อ, อย่างนี้คือสิ่งที่ทําให้อิมันตกต่ําลงทําความชั่วนี่คือต ก, ตกชั่วอยู่แล้วส่วนการยึดติดกับดุนยามากเกินไปใช้เวลากับดุนยามากเกินไปอย่างที่ผมย้ําเป็นประจําว่าชีวิตของผู้สตารเนี่ยดุนยาคือการเลี้ยวซ้ายอาคือเราคือการเลี้ยวขวายิ่งเราเลี้ยวซ้ายมากเท่าไหร่แล้วยิ่งไกลจากขวามากเท่านั้นถูกไหมครับถ้ามันเลือกมีซ้ายกับขวาเนี่ยยิ่งเราเลือกซ้ายซ้ายซ้าย้า ย, า ย, า ย, ายมาที่ยิ่งไกลไกลจากขวา ยิ่งเราไปขวาขวาขวาขวาขวามาที่ยิ่งไกลจากสายเพราะฉะนั้นมุสลิมทางเลือกระหว่างดุลยากับอาคิร์ร้อยิ่งเราลุ่มหลงกับดุลยาแค่ไหนเวลาให้อาคิร์ร้อจะยิ่งน้อยยิ่งเราทุ่มแมกับอาคิร์ร้อมากแค่ไหนเวลาให้กับดุลยาก็จะน้อยมุสลิมเราต้องหาสมดุลให้ได้คือเราเน้นไปทางขวาแต่ต้องไม่ลืมทางซ้ายมุสลิมที่แท้จริงไม่ใช่คนทิ้งดุลยา ไม่เคยมีคำสั่งไหนของท่านอับดลี๊ย์มุสโสวัยส์มที่สั่งให้มุสลิมทิ้งดุนยาไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามในดุนยาทำไปเพื่อเราสร้างเราเป็นผู้ปกครองดุนยาเพื่อใช้ประโยชน์จากมันมีความสุขได้แต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กรอบที่จะไม่ทำให้เราเสียคนจากการเป็นมุสลิมที่ดีการที่เราจะเลี้ยขวาบ อย่านั้นอินละลัดีนะอามุนนอกจากผู้ที่เขาศรัท ธ, ธาจริงก็คือศรัท ธ, ธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงศรัท ธ, ธาในคุณลักษณะของพระ อ, องค์ศรัทธาในความเป็นพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งผู้ดูแลของพระ อ, องค์ศรัทธาในการที่เขานั้นต้องทําสิ่งที่ดีเพื่อพระ อ, องค์เต๋าฮีทั้งหมดศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ศรัทธาเชื่อมั่นต่อมลายกะต่อคามพีต่อศาสนาทูตต่อกระดกระดั ต, ต่อวันสินิจโลกทั้งหมด แล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่ท่านอับดุลเบีรยร์มัสลลอร์ย์สลัมเอามาพูดเอามาบอกต่อให้มันเป็นสิ่งที่มันเกินสติที่เราจะรับรู้แค่ไหนก็ตามอย่างท่านในกุรานครับพอเราบอกไงครับบางชักกลก้มัดในยุคสมัยท่านอับดุลเบีรยร์มัสลลอร์ย์สลัมแต่พอแราวได้ทําให้ดวงจันทร์เนี่ยมันแยกเป็นสองซีกมาแล้วแล้วก็ให้มันประกบกลับมาเข้ามาที่เดิมถามว่าเมีเซนไหมครับฟังแล้วมันไม่เมีเซ็นของกลมุกลมๆแยก ประกอบเหมือนเดิมมันไม่มีคำว่าเมกเซนเลยมันคงต้มีคำถามเป็นล้านนะครับเอากาวที่ไหนมาแปะแล้วมันอยู่มันเหลื่อมล้ำปุ๊บมันหายมันแหว่งหรือเปล่ามันมีเศษที่หลุดไม่คิดสังเกตง่ายๆนะครับในศาสนาอิสลามจะมีตัวบทหลายตัวบทที่ประนามคนที่ถามไม่ใช่ถามเพราะอยากรู้แต่เป็นถามเพราะอยากจะปฏิเสธ คือเราสังเกตดูครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ศรัทธายอย่างแท้จริงเ่ยถ้าเราสงสัยถ้าเราไม่เข้าใจเราจะถามเพราะเราอยากจะทําให้ถูกถูกไหมครับอย่างเราไม่แน่ใจเราละหมาดถูกไหมเราไม่แน่ใจว่าทําไมถึงมีมันมีฮิกมะมันมีข้อดีอะไรไหมในการทําอย่างนั้นเราอยากจ إ ي م านเพิ่มอันนี้คือถามเพราะเราบอกว่าให้ถามผู้รู้จะได้รู้แต่ในขณะเดีวยวกันพวกเราประนามพวกยูเพราะสเสด็จเขาถามเหมือนกับว่าฉันฉลาดนะอย่ามาหลอกฉันนะอย่าคิดว่าจะหลอกจะได้ไดง่ายนะ เหมือนกับเรื่องเชื้อวัวครับพวกยิวมีปัญหาคนของเผ่านึงเช้ามาพบว่ากายเป็นศพของอีกเผ่านึงไปอยู่ที่เผ่านึงแล้วไปได้ไงก็ไม่รู้คือตอนกลางคืนยังนอนที่นี่อยู่เลยพอเช้ามาไปนอนอีกเผ่านึงในสภาพที่เป็นศพเรียบร้อย สองเผ่าก็เลยทะเลาะกันแก่ฆ่าเขาใช่ไหมเอาเขาไปฆ่าใช่ไหมทํำไมถึงทําอย่างนี้อนี่ก็บอกฉันไม่เกี่ยวฉันไม่รู้เรื่องโผล่มาจากไหนก็รุ่งเช้ามาก็เจอศพแล้วทะเลาะไปทะเลาะมาจะเกิดสงครามแล้วไปหานาบีหานาบีมุซาเป็นมุซ่าช่วยหน่อยทํายังไงดีมันจะฆ่ า, ากันตายแล้วเนี่ยนบีบอกว่าไงครับเอาเราสั่งให้ไปเชือ้อบัวงง งงคือถ้าพูดภาษาเรืก็งงเนี้งงเนี้มันเกี่ยวอะไรเขาจะฆ่ากันตายแล้วบอกให้ไปเชือดวัวถ้าเป็นผู้ศรัทธาต่อร้อนอย่างแท้จริงเมื่อเป็นคําสั่งจากกระสูนจะว่าไงครับโอเคครับได้เลยเชือดวัวใช่ไหมครับหนึ่งตัวใช่ไหมครับผมไปเชื่อเลยจบนั้เชือดวัวมันเกี่ยวอะไรวัววัวเป็นยังไงอาจะให้เชือดัวเป็นยังไงวัวไม่เคยวัวไม่แก่เกินไปไม่เด็กเกินไป อ้าววัวสีอะไรล่ะอ้าวัวสีออกเหลืองเข้มๆอ้าวแล้วเป็นยังไงอีกมันยังไม่ชัดเจนเฉยบอกกันมันชัดเจนอันนี้คือมันไม่ใช่คนที่ถามเพราะการศรัท ธ, ธาคือถามเพราะศรัท ธ, ธากับถามเพราะเรื่องมากบางคนแล้วปเด็นกันเพราะฉะนั้นในเรื่องคําถามเคลียร์นะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรพรอลองสั่งให้ถามแต่ถ้าเป็ น, ปนคําถามที่ว่ามันมันเกิดจากความที่มันไม่อยากจะเชื่อ อันนี้มีผลต่ออิหมั่นของผู้ศรัทธามีผลต่ออิหมั่นของผู้ศรัทธางั้นเรากลับมาประเด็นของอิลลัลลีนะอามานูน่าจะคุดยาวไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นวิชาต่อที่ทางวิชาไปหรือว่ากลายเป็นวิชาอย่างอื่นไปทางวิชาไปแต่ประเด็นสําคัญที่จะพูดก็คือว่านี่คือตัวบทจากอัลกุรอานที่ระบุให้มุสลิมเรามีความเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าใครก็ตามจะทำความดีงามมากมายแค่ไหนก็ตามถ้าเขาไม่มีเงื่อนไขข้อแรกโลกหน้าเขาจะไม่ได้เลยจากอันลอโลกหน้าจะไม่ได้จากอันลอสโลกนี้อาจจะได้คือจะทำความดีแค่ไหนก็ตามคนนี้จะเป็นคนใจบุญสุนทานจะให้ความช่วยเหลือจะทำอย่างนี้จะทาอย่างนี้เอาลอสจะตอบแทนเขาในโลกยืนยาจะให้คนรักเขาจะให้คนช่วยเหลือเขาจะช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากการทดสอบ จะให้เขาผ่านพ้นจากเรื่องให้เกิดปาฏิหาริย์กับเขาในชีวิตในดุญยาให้เกิดเลยดีมากมายแต่โลกหน้าไม่มีอะไรสำหรับเขาเพราะเงื่อนไขข้อแรกที่อัลลอ์จะรับการงานคืออัลลาีนาอามนูถ้าคุณไม่อยากขาดทุนนะถ้าคุณไม่มีเงื่อนไขข้อนี้นะคุณทำอะไรให้ตายสำหรับพวกอัลลอ์คุณขาดทุนแน่นอนแันุมุสลิมเราจะให้ต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เป็นอันดับหนึ่ง อันนี้อาจารย์ทุกท่านน่าจะพูดเหมือนกันย้าเหมือนกันให้ความสําคัญความเรียนรู้เพราะถ้าไม่รู้เราจะศรัทธาอย่างไงเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนทําถูกอันไหนทําผิดอันไหนทำแล้วเราจะรักอันไหนทําแล้วเราจะไม่รักเพราะว่ามีมุสลิมเป็นจํานวนไม่น้อยที่เขาเชื่อมั่นว่าฉันเกิดมาเป็นมุสลิมฉันรู้หมดแล้วมุสลิมประเภทที่ว่าเวลาเจอมูอัลรับเวลาเจอคนที่เข้ามารับอิสลามทีหลังชอบดูถูกดูแคน โนี่ผู้มาเข้ารับอิสลามที่หลังเข้ามาพอแต่งงานที่เฉยมันคงอยู่ได้ไม่นานดูถูกดูแคลนสารพัดทั้งๆที่ตัวเองนะี่อาจจะอยู่ในตำแหน่งที่แยก่กว่าเขาเยอะเลยทั้งๆที่อยู่ในสภาพที่ตัวเองต้องแกวกริมาใหม่แต่ไม่รู้ตัวก็มีเยอะอย่างที่ผมย้ำเป็นประจำครับคนที่เกิดมาเป็นลูกของมุสลิมเขาจะไม่มีทางเป็นมุสลิมจนกว่าเขาจะต้องเชื่อมั่นจริงๆก่อนว่าลอเป็นพระเจ้า คือต่อให้บัตรประชาชนเขียนว่านับถือศาสนาอิสลามเขาไม่ใช่มุสลิมถ้าเขาไม่เชื่อหรอต่อให้เขาจะไปละหมาดต่อให้เขาจะถือสินอดแต่ถ้าเขาไม่เชื่อมั่นจากใจเขายิงจีว่าเราเป็นพระเจ้าไม่มีประโยชน์เพราะนึกเกิดมาเป็นลูกมุสลิมหรือเกิดมาเป็นลูกคาเฟสไม่แตกต่างกันบททดสอบมันต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือเราต้องทําให้เรารักเเงื่อนไขข้อที่สองครับ คุณจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้เด็ดขาดถ้าไม่มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกันคือคนบางคนบอกว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฉันเชื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะแต่ถึงเวลาฉันไม่ละหมาดอัลลอฮ์รู้แนละ้วฉันศรัทธาแล้วฉันอิมาแล้วสมบูบุแล้วฉันไม่ต้องละหมาดไม่มีพฤติกรรมไม่ถือว่าเป็นผู้ศรัทธาอย่างคนบางคน บ, บอกฉันเป็นมุสลิมมาตลอดชีวิตสามสิบปีสีปีไม่เคยละหมาด ไม่เคยถือสิ้นอดทั้งนั้นถือสิ้นอได้ทำฮัตได้แต่ไม่ยอมไปทําฮัตเลยหรือว่าด่าพ่อแม่เนรคุณพ่อแม่ไม่ทําดีกับเพื่อนบ้านไม่ติดต่อเครือญาติไม่เป็นคนที่พูดจาที่ว่าเป็นคำพูดที่ดีไม่เป็นคนที่ว่ามีการให้ความช่วเหลือคนอื่นก็แปลว่าเขายังไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่ถูกต้องไม่ผู้สายถูกต้องเพราะผู้ศรัทธาที่แท้จริงคือคนที่ยังประโยชน์ให้กับมนุษยชาติได้มากที่สุด มุสลิมไม่ใช่ศาสนาที่สอนให้ว่ามุสลิมนั้นดีแค่ในสุเหรา่าหรือดีแค่กับตัวเองหรือดีแค่ในครอบครัวแต่เขาต้องเป็นแบบอย่างที่ทําให้โลกทั้งโลกรู้สึกปลอดภัยที่อยู่กับเขาโจทย์ข้อนี้สอบตกกันเยอะงั้นข่าไขข้อที่สองต้องทําสิ่งดีนะอะไรคือสิ่งที่ดีครับอ่าอะไรคือสิ่งดีงามมีมี ม, ม, มีข้อสรุปไหมอย่างสรุปสักสามข้อถ้าครบสามข้อ เป็นการงานที่ดีหรือสองข้อก็ได้หรือหนึ่งข้อก็ได้เผื่อบางคนจะถามเพราะว่าคาว่าทำดีนะครับเราเอาคนสิบคนมาเราจะได้คำนิยามต่างกันบางคนบอกการกินเหล้าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้ากินเหล้าปุ๊บหน้าที่การงานจะก้าวหน้าเร็วเพราะมันมีงานวิจัยบอกว่าคนที่ไม่เข้างานสวนเสฮ่าพวกกินเหล้ายาปา์ปิงเนี่ยครับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะฉามีงานวิจัย เพราะนั้นบางคนอจะบอกกินเหล้าดีบางคนก็บอกกินเหล้าน้อยดีบางคนก็บอกว่าไม่กินเหล้าเลยดีบางคนอาจจะบอกว่าการทํำซินาเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมันวินวินทั้งสองฝ่ายชอบทั้งสองฝ่ายไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียได้กันหมดเลยประมาณเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้เราต้องมาดูว่าอะไรหลักคือความดีที่เอาล้อบอกว่าเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ทำความดีใครมีกฎไหมครับ่าไฟดินเป็นมุสลิมกี่ปีแล้ว สิบห้าปีโอ้แน่ใจนะอารามดีล่านียยังเป็นอยู่นะจะเป็นต่อไปอาเมีนาอารามดดล่าครับอ้าเยอะแยะประมาณนั้นครบแล้วยังไม่ครบ ขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกรั้งขาดกุญแจสาคัญขาดกุญแจสาคัญอย่างดอกสิ่งที่จะเป็นการงานที่ดีได้ที่รู้สึกว่าแทบจะไม่มีใครพูดถึงหมายถึงว่าที่ไม่ใช่มุสลีมนะครับไม่ค่อยเจอใครพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นอกจากคนที่นับถือศาสนา ถ้าคนนั้นฝีศาสนาจะเป็นพูดจะเป็นคริสตตียนส่วนใหญ่จะพูดประเด็นนี้ด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเป็นศาสนิกชนเดี๋ยวสิเราติดอยู่กับลิ้นเ <c oughs> งื่อนไขที่สําคัญที่สุดข้อหนึ่งที่จะถูกเรียกว่าเป็นการงานที่ดีก็คือการงานนั้นต้องมีการกระทําโดยเจตนาที่บริสุทธิ์เจตนายบริสุทธิ์แปลว่าอะไรครับ ทำเพื่อให้อัลลอ์รักภาษ า, า, า, าหทภาษาอับเรียกว่าอิคลาสใช่ไหมนี่แหขะสำคัญนะถ้าไม่มีอิคลาสนะจะทำอะไรไปจบเลยคุณจะเป็นผู้สัทธาแต่คุณไม่มีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์สมมติว่าสมมติสมมติอย่างพวกเรามาเรียนกันมาสอนกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป้าหมายหลักคำว่าเจตนาเนี่ยถ้าแปล ง, ง่ายๆก็คือแรงผลักดันสิ่งที่ทำให้เราอยากจะมานั่งตรงเนี้ย สมมุติว่าถ้าเกิดสิ่งที่อยากจะทําให้เรามานั่งตรงนี้คือพอมานั่งปุ๊บเดี๋ยวเราจะได้เงินเราก็เลยอยากมานั่งส่วนการฟังเดี๋ยฟังให้มันมันจบจบไปให้มันจบไปเดี๋ยวมันก็จบจิตตนาได้ตามนั้นถึงเวลาได้เงิ น, นชาววะแต่ผลลบุญจากเขาล้อได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับเรื่องที่ผมเล่าใช่ไหมครับถึงคนสามคนสามคนที่ผมเคยเล่าที่ทําการงานที่น่าจะดีที่สุดในโลกและ เรียนมาเยอะสอนเพื่ออล้อมีเงินเยอะบริจาคเพื่ออล้อมีร่างกายแข็งแรงออกไปสู้เพื่อล้อแล้วก็ตายเข้าใจว่าเพื่ออล้อแต่พอถึงเวลาอัลลอฮ์สอบสวนพิสูจน์ได้ว่างไงครับจริงๆมันไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์เราหลอกตัวเองว่าเพื่ออัลลอฮ์แต่ผู้รู้คนนั้นเนีษษษะดิสซิสนบีบอกไว้ที่เข้านรกก่อนใครเพื่อนไอ้ผู้รู้คนนั้นเนี่ยสอนเพื่อจะให้คนชม โอ้คนนี้เก่งจังอุอาจารย์สอนมั่วนะอาจารย์อุพ่อนะอาจารย์ยังมาดีขนาดโอ้โหถืออาจารย์หลงหลงละเลงลืมตัวไปไม่ใช่เพื่ออาราล่ะมีทรัพย์สินขับพุศาตรบริจาคตอนแรกเนียดอาจจะดีใช้ตอนเข้ามาแย่อุยฉันใจบุญจังเลยมีคนยกย่องฉันมีคนพูดถึงฉันโอใครๆก็ช่มใครๆก็ชอบหลงละเลงไม่ใช่เพื่ออาราจไป ไปสู้เพื่ออัลลอ์ไปฟันไปทำอะไรเพื่ อ, อหวังจะให้อัลล์รักอัลลอ์พอใจผลสุดท้ายอยากจะให้คนชมว่าคนชมมา ก, ก่าหานคนนี้มันเข้มแข็งมันแก่งมันเจ๋งคนพูดเรียบร้อยผลสุดท้ายเพื่ออัลลอ์ไหมครับไม่ใช่เพื่ออัลลอ์เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเป็นผู้ศรัทธาแล้วต้องเรียนรู้ความหมายของคำว่าอ e ิคลาสหรือว่าความบริสุทธิ์ใจเป็นอันดับแรก ถึงจะเริ่มไปทำการงานที่ดีได้ไพนะ์อที่พวงเราบอกใช่ไหมครับอินเ ล, ะ ล, ะละดีนอาอามนูนอกจากผู่ที่เขานั้นมีความศรัทธาศรัทธาต่อลอแล้วแล้วก็ทำความดีก็คือเริ่มจากมีความจริงใจต่อลอแรงผลักดันที่ทำเพื่ออยากให้อลลอรัก <c oughs> ถามว่าเวลาเราทำสิ่งดีๆนะครับมีเจตนาแอบแฝงได้ไหม ต้องดูว่าเจตนาที่แอบแฝงนั้นทําให้อัลลอฮ์ไม่พอใจหรือเปล่าถ้ามีเจตนาแอบแฝงแต่ไม่ได้ทําให้อัลลอฮ์โกรธกิ้วไม่ผิดไม่ผิดอย่างเช่นคนเป็นแม่อยากทาอาหารให้ลูกพอรักลูกปกติจะมีใครคิดถึงอัลลอฮ์ไหมครับตอนรักลูกเนี่ยไม่คิดแตลุกมาฉันต้องทําอยากให้ลูกได้กินลูกกินนี้น่าจะมีความสุขเป็นความดีที่อัลลอฮ์รัก แล้วก็อัลลอฮ์รับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้สัตยแท้แล้วก็ยึดในอามานะของตนลุกมาทํากับเข้าวให้ลูกได้ผละผละบุญได้ผลละบุญเพราะถือว่าต่อให้มีเจตนาอื่นแอบแฝงด้วยแต่ถ้าเกิดลึกๆึกในใจเขารู้ว่าที่ทำไว้อยากให้อัลลอฮ์รักอันนั้นคืออิบารัดาสาหรับเขาแต่ถ้าไม่มีคาว่าอัลลอฮ์เลยในใจการงานนั้นก็คือได้แค่ดุลยาจบแค่ดุลยาเพราะฉะนั้นมุสลิมเราอย่าลืม ย้ำกับตัวเองนะครับอะไรก็ตามที่เราจะทำเนะี่ยทำไมเราต้องบิสมิลลาห์ก่อนเพื่อเตือนสติบิสมิลลาห์เพื่อให้รู้ว่าอยากให้เราล้อรักนะที่เหลือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นของแถมอย่างเช่นเราจะเรียนสามัญ อ, อยากเรียนสามัญทําไมเรียนสามัญโตมาจะได้มีงานทําเพราะท่านอบีอัลสลามบอกว่าเงินที่หามาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองย่อมดีกว่าเงินที่ไปขอกระื่น อยากให้อลรักไงเพราะนั้นการเรียนสามันได้บุญไหมได้บุญเรียนอะไรดีหมดเลยขอให้ไม่ใช่ไปเรียนอะไรที่มันฮารอมนะครับอยากเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนค้าขายบางคนไม่ต้องเรียนบางคนค้าขายเลยก็ถ้าเจตนาดีอลรักก็โอเคเพราะนั้นเจตนาดีปุ๊บรูปแบบที่ทําต้องถูกต้องนี่คือเงื่อนไขที่สองของการงานที่ดีการงานจะเรียกว่า อัศรีฮัตการงานที่ดีได้ต้องมี2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือเจตนาที่ทํานั้นต้องไม่ทมําให้อล้อกฏเกี่ยวมีความจริงใจต่อละข้อที่2รูปแบบที่ใช้ต้องเป็นรูปแบบที่เอาละและเราศูนย์รับรองเท่านั้นอาจจะรับรองแบบกว้างๆหรือรับรองแบบระบุจำเพาะไว้ อ, อย่างรูปแบบละหมาดครับ อัลลอฮฺมะบัดอัลลอฮฺมะบัดอัลฮฺมัา Uh, ครับดูจากเวลาแล้วผมคงไม่สามารถอธิบายซุร้อนนี้ให้จบได้ครับเพราะว่าเนื้อหาที่เตรียมมาประมาณ20กว่าหน้าตอนนี้พูดไปแล้วประมาณหนึ่งหน้าครับ <laughs> แล้วก็เราเอาเท่าที่ได้แล้วก็เป็นที่เหลือข่อยดูว่าซุร้อนนี้ในหมู่ซาฮาบะครับในหมู่ซาฮาบะซุร้อนอัลอัษเนี่ยเวลาที่ว่าหลายๆท่านเวลามาเจอกันมาทักทายมาพูดคุยกันก่อนจะแยกกัน จะอ่าสุระอนนี้เป็นการเตือนสติกันและกันก่อนที่จะแยกกันอ่านสุร้อนนี้การเตือนสติแสดงถึงความรักของบรรดาสาวะ้าที่มีต่อมิจฉาอยางของตนแล้วก็แสดงถึงการให้ความสําคัญต่อสุร้อนอางนี้เรามาดูความหมายแบบรูปรัดนะครับเนื่นที่พวกเราบอกไว้นะครับเงื่อนไขทั้งหมดมี4ข้อถ้าเราดูก็คือการที่เราจะไม่เป็นคนที่ขาดทุนหรือพูดอีกความหมายหนึ่งหาก เราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงใช้คำว่าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงถ้าขาดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสีข้อเราไม่สามารถเป็นคนนั้นได้เราไม่สามารถจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ถ้าขาดเงื่อนไขสีข้อนี้อันนี้สำหรับมุสลิมเท่านั้นเพราะถ้าผู้ไม่ใช่มุสลิมเขามองแค่ดุลยาเขาก็มาตวัดนของเขาก็คือดุนยาอันนั้นก็ปล่อยเขาตามที่เขาเชื่อมั่น แต่สำหรับมุสลิมเราที่อัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนคุณจะมีอะไรแค่ไหนก็ตามหรือคุณจะยากจนหรือคุณจะมีความรู้คุณจะงงคุณจะเป็นผู้ชายคุณจะเป็นจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีสีข้อข้อแรกก็คือต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงข้อที่2ก็คือต้องกระทาพฤติกรรมที่ดีซึ่งพฤติกรรมที่ดีต้องใช้บรรทัดฐานของอัลลอฮ์เท่านั้นจะใช้บรรทัดฐานของคนอื่นไม่ได้ และจะมาเหมาว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้เพราะสิ่งที่ดีต้องอยู่ว่าอัลลอฮฺบอกว่าดีเราจึงบอกว่ามันดีอันนี้คือประเด็นสำคัญหลังจากนั้นครับพ่กอัลลอฮฺบอกว่าแค่นี้ลอดจากการเป็นคนขาดทุเลี่ยงอย่างอย่างหมายความว่าบางทีพวกเราบางทีผมบางทีพวกเราแต่ละท่านเรามากักจะจบกันที่สองข้อนี้คือเราพยายามทำสองข้อนี้ตลอดชีวิตของเราพยายามทสองข้อนี้ดีที่สุด แต่สำหรับพวกข้อเลาะพวกข้อเลาะบอกให้เรารู้ว่ายังไม่พอในการเป็นมุสลิมคุณต้องมีอีกสองข้อเราเพยานจะมาครึ่งทางแล้วหืออีกสองข้อมีอะไรบ้างครับว h a ตัว e ราโซบิลฮักกแล้วเขาต้องสั่งเสียกันและกันถ้าในที่แปลครับในสิ่งที่ถูกต้อง ว่แต่ว่าสาวบิลฮักคำว่าฮักในที่นักวิชาการมีหลายทัศนะว่าคำว่าฮักในที่แปลว่าอะไรบางท่านก็แปลว่าจนกว่าเขาจะสั่งเสียในเรื่องที่ทำให้อลลอรัสรักบางท่านก็บอกว่าจนกว่าเขาจะสั่งเสียในเรื่องของกุรานทั้งเล่มบางท่านก็บอกว่าจนกว่าเขาจะสั่งเสียในคำสั่งใช้ของลอจนกว่าจะห้ามในสิ่งที่ออลลอห์ห้ามเพราะฉะนั้นแค่วักนี้วักเดียวจึงครอบคลุมว่าเราจำเป็นต้องรู้กุรานทังเล่มเราจำเป็นจะต้องเข้าใจรวมทั้งหะดีษด้วย เพราะนั้นสุร้อนี้เราต้องพัฒนาตนไปนเรื่อยๆผมก็อยู่ในระหว่างกำลังพยายามพัฒนาตนอยู่ได้แค่นั้นแค่นั้นอัลลอฮฺไม่บังคับใครเกินความสามารถไม่ต้องไปเครียดบางคนกลับไปบ้านปุ๊บฉันจะเป็นยังไงฉันยังเข้าใจขุนหันไม่ได้ทั้งเล่มผมไม่ได้อยากพูดให้เครียดอย่างนั้นแต่แค่อยากจะให้รู้ว่าเราพัฒนาไปได้อีกไกลเราตอนเนี้ยเราอาจจะมองว่าเราไม่ดีเราอาจจะมองว่าเราดีเราอาจจะมองว่าไงก็ตามแต่แต่เรายังพัฒนาไปได้อีกไกลเลย จนกว่าเราจะเข้าใจกุฎานทั้งเล่มอย่างท่องแท้นั่นแหละแล้วถึงจะสมบูรณ์แล้วซึ่งไม่มีทางที่เราจะไปถึงจุดนั้นผมไม่มีทางไปถึงจุดนั้นแต่พยายามอยากจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะไปได้ครับคืออย่างน้อยที่สุดขอให้ถึงเวลาเราหันกลับไปดูเราจะพอจะรู้สึกว่าเออฉันก็มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่ขอให้เราไปอยู่ในจุดที่เราหันมาปุ๊บเออเมื่อก่อนนอดีเนี้ฉันทาเหลวแหลกมาเยอะเหลือเกิน โอ้ล้อปวดยกโทษให้กับฉันด้วยในสิ่งที่ผ่านมาตอนนี้ที่เราจําเป็นที่สุดนะครับจำเป็นที่สุดสําหรับมุสลิมทุกคนสําหรับผมสําหรับพวกเราทุกคนคือการที่เราต้องตระหนักให้ได้ว่าชีวิตที่ผ่านมาของเรานั้นมีอะไรบ้างที่เราต้องขอไปโทษตอ่อเหรมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเพราะมุสลิมหลายทนหลายท่านไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาทําอะไรให้ล้อเกียดไปบ้างอันนี้น่ากลัวเพราะเมื่อเราไม่รู้เราไม่มีทางกลับตัวเพราะเราไม่รู้นี่ เราคิดว่าเราดีแล้วเหมือนกับที่เราเล่าเก่าในกุรานในสุรบะกร้อนในแต่ละสุรบะที่เราเล่าพูดถึงคนที่เขาคิดว่าทําดีวายาเซบูนอันฮอมยุสิลูนุสซุนนะบางคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยฉันจะทำดีแล้วแต่เราไม่รับอะไรเลยตรงนี้ที่ต้องระวังการตักเตือนหรือว่าการสั่งเสียนะครับเพราะเราใช้คำว่าสั่งเสีย ประเด็นที่เราต้องตระหนักไว้ให้มากในส ah ุราวะอัสอัลลอฮ์ใช้คำว่าสั่งเสียกันและกันไม่ใช่ตักเตือนคืออย่างตอนเนี้ยที่ผมทำเหมือนกับเป็นเพียงแค่าการตักเตือนสั่งเสียคือสิ่งที่มันออกมาจากใจจริงๆสิ่งที่ออกมาจากใจถ้ า, าไปถึงใจที่รับมันจะได้ไประโยชน์กันทั้งคู่ถ้าเราสังเกตดูในบรรดาในยุคสฮบะครับเวลานบี เตือนเขามาจากใจท่านอบบีคนรับที่เปิดใจพร้อมจะรับพร้อมที่จะทาได้ทันทีเหมือนกับท่านอุมัตรหรื อ, อ, อับราฮัมครั้งหนึ่งครับท่านอูมัตไปหาท่านอาบีวสลยสล ม, มบอกว่าไงครับยารสุลละในโลกเนี่ยท่านคือคนที่ฉันรักมากที่สุดรักมากเท่ากับที่ฉันรักตัวฉันเองสุดยอดแล้วในที่นี้ใครกล้าพูดผมผมทาไม่ได้ ท่านูมัตไปประกาศกับท่านาบีเลยว่ายาซูลร้อยเนี่ยในโลกเนี่ยฉันรักท่านมากที่สุดแล้วเท่ากับที่ฉันรักตัวท่านเองเลท่านาบีบอกว่าไงครับและยาุมัตพูดสั้นๆท่านาบีบอกว่ายังไม่ใช่อันนี้สุดยอดแล้วนะท่านุมัตทำนี่สุดยอดแล้นะคนสมัยนี้ทากันไม่ได้แล้วนะแต่ท่านาบีวัสซรสามกลับบอกว่ายังไม่ใช่ท่านูมัตได้ยินท่านูมัตสุภาลับเป็นคนที่ฉีเหลือฉลาด เป็นซอฮาบะที่การตัดสินใจของท่านสอดคล้องกับการตัดสินใจของผู้อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งใ น, ในหลายๆเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ท่านอูบูบ ค, คิดอย่างท่านอูมตัตคิดอย่างแต่ท่านอาบีรับรองว่าความคิดของท่านอูมัตนั้นตรงกับความคิดของอัลลอฮ์ท่านอูมัตพอได้ยินท่านอาบีพูดสั้นๆว่าอย่างไม่ใช่ท่านอูมัตนิ่งไปสักพักหนึ่งเคลียร์กับตัวเองเคลียร์กับใจตัวเองเคลียร์เสร็จปุ๊บ บอกว่ายาระซูลุลลอห์ท่านคือคนที่ฉันรักมากที่สุดในชีวิตของฉันรักมากยิ่งกว่าตัวของฉันเองสิอีกท่านบีมัสซาซามบอกไงครับอัลอานอัลอาลอล อ, ลอุมารตอนนี้แหล ะ, ตอน น, หละตอนนี้แหละถูกต้องแล้วนี่คือสิ่งที่มาจากใจถึงใจท่านบีเป็นห่วงท่านกระตือนคนที่อยากรับก็รับด้วยความเป็นห่วงจริงๆหัวใจของผู้ศรัทธาครับอันนี้เราต้องตรวจสอบตัวเองนะ ผมก็ต้องตรวจสอบตัว เ, เองหัวใจของผู้ศรัทธาโดยพื้นฐานแล้วต้องเป็นหัวใจที่พร้อมรับการตักเตือนพื้นฐานเลยถ้าเป็นผู้ศรัทธาจริงเพราะเราอยากให้เราล้อรักไงถ้ามีคนมาเตือนเราบอกว่าที่เราทำอยู่ทำไม่ล้อไม่รัดเราควรจะมีความสุขหรือควรจะเศร้าอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆเอาตัวผมเลยลวกันหลายครั้งภรรยาเตือน หลายครั้งที่ผมทําผิดผมก็คนธรรมดาผมก็มีทําผิดแล้วโดนภรรยาเตือนพอผมโดนภรรยาเตือนปุ๊บความเป็นผู้ชายทําให้โกรธเห็นด้วยไหมครับพอบ้านเวลายิ่งโดนภรรยาเตือนนะมันมันเหมือนมันจะขึ้นมันจะมันเสียฟอร์มมันเสียหน้ามันอะไรสักอย่างอ่ะครับมันมันมันเป็นมันเป็นธรรมชาติที่เราถูกสร้างมาเป็นแบบนี้ในความเป็นผู้ชายเนี่ยผมโกรธแต่ในความเป็นมุสลิมเน่ะ ทำให้ผมรักภรรยามากขึ้นเขาทําให้ผมเห็นข้อผิดของตัวเองแล้วผมสามารถพัฒนาตัวได้เพราะพอรู้ปุ๊บมันอาจจะปรับตอนนั้นไม่ได้แต่เรารู้แล้วว่าเราผิดตรงนี้แหละผมอยากรันไปตามสเต็ปถ้าเกิดว่าท่านใดอยากได้ความรู้ต่อไปเราไปหาวงคุยกันต่อไปแล้วกันนะครับยังสรุปก็คือต้องสังเสียกันจริงๆในเรื่องของสัจธรรมคือความถูกต้องอันไหนถูกก็ต้องพูดบอกว่าถูกอันไหนผิดเราก็ต้องพูดต้องเตือนกันได้มุสลิมต้องเป็นคนที่เตือนกันได้อันโจทอสสำหรับวันนี้นะ ทำเองก็ได้ให้เราเป็นคนที่คนอื่นเตือนเราได้แล้วที่สำคัญที่สุดกุญแจสำคัญที่สุดในการเป็นมุสลิมในการที่จะอยู่รอดในโลกดุนยาในสภาพของมุสลิมได้กุญแจที่สำคัญที่สุดคือความอดทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตักเตือนกันมากที่สุดเวลาเห็นคนไม่อยากจะทนแล้วคือจงอดทน แล้วคนที่โดนเตือนก็อย่าไปแวดใส่เขาอย่าไปบอกว่าแกไม่ใช่ฉันจะมารู้อะไรหรือจะไปบอกว่าฉันก็อดทนแล้วถ้าเขาเตือนให้ทนแปลว่าเรากำลังไม่อดทนอยู่ความเป็นมุสลิมกุญแจที่สำคัญที่สุดเราไม่มีทางเป็นมุสลิมให้อัลลอ์รักได้ถ้าเราไม่มีความอดทนเราไม่สามารถทำอามันอิบาร์ดาได้ถ้าไม่มีความอดทนเราไม่สามารถทิ้งสิ่งที่หาร ถ้าเราไม่มีความอดทนเราไม่สามารถแบกรับอามานะได้ถ้าไม่มีความอดทนเราไม่สามารถที่จะแบกรับบททดสอบบทเพชิญต่างๆที่เลาะให้เรามาเจอทั้งสิ่งที่เราชอบทั้งสิ่งที่เราไม่ชอบได้ถ้าเราไม่มีความอดทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราพูดไว้ในอายะสุดท้ายของเพลงคือแล้วต้องสั่งเสียกันให้อดทนอย่าไปสั่งเสียอย่าไปพูดกันไปนินทาไปทําร้ายกันจากซูเราะที่อยู่ต่อจากนี้เอาเลาะสาบแช่งคนที่ว่าแทนที่จะสั่งเสียกันดีๆ ไปสั่งเสียกันให้เกิดความแตกแยกซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ Allah สั่งใช้ครับผมสำหรับวันนี้ครับอกูกลีฮาอกูกลฮาสักรุ้ละฮะลิวาละกุมบริษัินมุสลิมีนมินกุลดมัสักฟิรูอนฮุลกฟูรัมุาลลอฮฮัมดกชเรนัสรุบลัยุกมตุลลกตุ